จิตที่หมักหมอมอยู่ด้วยกิเลสอาศวะคือสิ่งโสกปรกของจิตย่อมเป็นจิตที่มัวหม อ, มองตลอดถึงมืดดำรู้ก็รู้หยุดหลักแต่ว่ารู้ไปตามวิสัยของ คํา ม, มัวหมองของความมืดดําเท่านั้นไม่มีอะไรแลกต่างยิ่งกว่านั้นไปไม่ว่าจะเป็นกิจของดวงใดของผู้ใดเรืชื่อว่ายิเรศ จ, จงครอบหัวใจอยู่แล้วความหนาบางต่างกันก็ความครอบของยิเรดก็มีความหนาบางต่างกัน แต่ยังไงก็ต้องทำให้โม่ให้หมองให้มองไม่เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามความจริงทั้งหลายและมืดตืไม่ยอมฟังเหตุฟังผลใดๆทั้งสิ้นจน ถ, ถึงกับว่าไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ใดๆทั้งหมดนี่เรียกว่ามืดตื้อกิจที่มีความเชื่อต่อเหตุต่อผลต่ออดต่อทำต่ อ, รรตอบุญต่อบาป เป็นจิต ท, ที่พร้อมที่จะรับเหตุรับผลรับอัดรับทำได้แม้จะมัวมองมองไม่ชัดเจนเต็มความรู้ที่ควรจะมองได้ชัดเจนก็ต่าแต่ยังมีหวังที่จะแจ่มแจ้งชัดเจนหรือสว่างมากขึ้นกว่านั้นโดยลำดับเมื่อได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอ นี่หมายถึงจิตที่มีกิเลสสมมุติเข้าเคลือบแฝงหรือหุ้มห่อเป็นเช่นนี้ทุกๆดวงผิด ก, กันกับจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจะเทียบว่าคนละโลกแล้วก็รู้สึกว่ายังใกล้อยู่ เทียบอะไรก็เทียบไม่ถูกเพราะไม่ใช่อันเดียวกันเลยต่างกันอย่างพูดไม่ถูกน่าจะรู้อยู่เต็มหัวใจก็แยกออกมาพูดไม่ถูกตามความคิดมันนั้นอยังเรีกว่าต่างกันมากหรือหากพอจะเทียบกันหน้ก็เป็นคนละโลกจับถูถายกันเข้ามาใส่กันเท่านั้นถ้าไม่มีอะไรจะยกมาเปรียบเทียบ ยกเอาเพียงว่าสองโลกเสียอยู่คนละโลกเป็นคนละโลกนั่นความรู้ของความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นเทนั้นคือไม่มีอะไรเข้าไปเคลือแฝงเลยสิ่งที่เคยมีก็คือสมมูลละเอียดก็เป็นสมมูิละเอียดลงไปขนาดไหนก็ยังเป็นสมมูิ ยังเป็นสิ่งเคลือบแฝงไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ธรรมชาติของจิตแท้เป็นสิ่งที่เคลือบที่แฝงจิตดูโดยดียังเรียกว่าสมมตุตินี่จิตอันนี้น่ะที่พระพุทธเจ้าทั้งทั้งหลายไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าของเราตามหลักธรรมท่านกล่าวว่าอย่างนั้นจะตามดูจิตดวงนี้นะ่ะว่าเคย เกิดเคยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นท่านบอกเป็นอจินไตายอย่าไปคำนึงคิดถึงมันเลยถึงจะรู้ขนาดไหนก็จะนำมาพูดให้เหมาะให้ถูกต้องกับความจริงนั้นแกโลกโลกจะไม่เข้าใจไม่มีทางเข้าใจเลยแล้วไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเลยจึงเรียกว่าเป็นอจินไตยไม่ควรคิดเสียดีกว่าท่านเทียบเหมือนกับน้ายอกเท้าเรา ให้รีบบ่งออกเสียนั่นว่าอย่าไปถามหาสกุลหนามนี้ว่ามาจากไหนจากไหนแล้วเคยเกิดเป็นหนามมานี้ตนานเท่าไหร่มาจากสกุลหนามใดสกุลใดเมื่ อ, อไหร่จะเสียเวลาเปล่าๆให้รีบบ่บ่งหนามนั่นออกเสียนั่นแล้วหายาใส่นี่เป็นผลที่จะพึงได้รับโดยไม่ต้องสงสยัยการ ค้นคว้าหาลึกคิดหาเหตุหาผลของสกุลหนามทั้งหลายนั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลดีเกิดขึ้นเลยนอกจากจะทำเท้าของเราให้เน่าเฟะไปเปล่าๆนี่แหละท่านตันเทียบจิต ด, ดวงนี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นท่านมาเวลานี้มันขวางอยู่กับอะไรมันขวางเพราะเหตุใด สิ่งที่มันขวางพระ อ, องค์ก็สแสดงบอกแล้วเราจะถอดถอนสิ่งที่มันจีดมันขวางนี้ออกได้ด้วยวิธีใดนี่พระ อ, องค์ก็สอนมาแล้วเป็นศาสนาธรรมด้วยกันฮิเลตเป็นเหมือนกับเสี้ยนกับหนามยอกหรือปักเท้าเราธรรมะเป็นเครื่องบ่ง เป็นเข็มหรือเป็นน้ายอกน้ำบง่งวิธีการบ่งน้ำออกก็สอนหมกแล้วนำยามาใส่ให้ความนํามัดระวังรัก <c oughs> คือจิตใจอย่าส่งจ่ายแสบไปหาสิ่งที่เป็นภัยเช่นเดียวกับเราแกล่มเท้าหาหนามมันจะได้เหยียบน้ำ บ, บอ่อยให้ํามัดระวังเท้าตัวเองยาก็ใส่เซียงการวมจิตใจก็อบหลง การระมัดระวังไม่ให้จิตใจสายแสไปสิ่งหาสิ่งที่เป็นกวักเป็นหนามก็ให้ระมัดระวงังท่านท่านสอนไม่หมดสติเป็นธรรมรักษาใจได้อย่างเป็นอย่างดีปัญญาเป็นสิ่งที่รอบคอบขอบคิดพินิษพิจารณาหาเหตุหาผลเป็นช่องทางที่จะออกจากสิ่งปิดบังหรือสิ่งยั้ล้อมภายในจิตใจของตนได้โดยลํำดับลำดา ให้นำมาใชา้ทำทั้งสองนี้ให้แนบสนิทติดอยู่กับใจของตนนี่คืออุบายวิธีการที่ท่านสอนโดยถูกต้องผู้มีความรักใคร่ต่อสติต่อปัญญาเพื่อความกดเรื่อตอนเองจะเห็นทางพ้นจากขวากจากน้ำคือกิเลสประเภทต่างๆไปโดยลำดับนำมัดระวังใจของตนต้องฝืนความเสียดายฝืนความอยากอยากเห็นหนะฟังสิ อยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากดมกลิ่นทิ่มดอยากสัมผัสสัมพัสสิ่งที่เคยเป็นมาทั้งหลายและยังไม่เคยเป็นก็ตามส่วนมากเป็นสิ่งที่เคยเป็นทท้งนั้นแหละเพราะมันเป็นสัญญาตยานของจิตที่สัมพยุด้วยกิเลสย่อมเป็นสิ่งเกี่ยวพันกันทันทีทันใดอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมพั์นี่ให้ระวังความอยาก ให้ฝืนความอยากอยากเห็นก็อยากดูก็ไม่ดูความไม่ดูความฝืนความอยากนั่นแหละเป็นธรรมเครื่องกั้นกลางห่วงห้ามตนไม่ให้ก้าวเข้าสู่พิษภัยทั้งหลายไม่แล้วจิตก็ไม่เป็นอันตรายไม่ว่าอยากดูอยากเห็นไม่ว่าอยากได้ยินสิ่งที่เป็นภัยนั้นให้ห้ามความอยากนั้นด้วยสติ ด้วยปัญญาพินิจพิจารณารู้โทษของมันให้รู้โทษของมันและอย่าใกล้ชิดอย่าสนิทอย่าติดจมอย่าคุ้นอย่านอนใจกับสิ่งที่เคยเป็นไัยจะไม่เป็นคุณต่อผู้ใดทั้งนั้นนอกจากเราจะนะมัดรวังตัวตลอดเวลาสิ่งที่เคยเป็นคุณเป็นคุณสิ่งที่เคยเป็นโทษเป็นโทษตามหน้าที่ของมันในหลักธรรมชาติเป็นเช่นั้นพากันระมัดระวังรักษา การปฏิบัติจิตต่อสิ่งที่ยืแยงแข็งดีกับธรรมอยู่นี้เป็นสิ่งที่ทําได้ยากเพราะเวลานี้กําลังฝ่ายต่ำมันมันมากยิ่งกว่ากําลังฝ่ายสูงคืออัดคือธรรมที่จะเข้าไปรักษาจิตใจชุดล่กจิตใจไว้จากสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เหล่านั้นฉุดล่เอาไปเป็นอาหารของตนหรือเอาเป็นเครื่องใช้ของตนเอาเป็นเครื่องมือของตนก็ได้มันเป็นเรื่องยาก แต่ยากขนาดไหนเราอย่ามาคิดเอาคํายากที่เห็นเห็นอยู่นี้มันเป็นเรื่องความคิดที่ตื้นเกินไปไม่สมกับผู้ปฏิบัติาศาสนธรรมอันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้ ง, ก ว, ง, ว ง, ก, ก, งกว้างขวางมากกิ่งกว่ากิเลสนี้เป็นในไห น, ไหนความที่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้จะยากลำมากขนาดไหนก็ตามไม่คํานึงในความยากนี้แต่คํานึงถึงความดุจความพ้น จากสิ่งเหล่านี้ไปโดยลําดับการาเท่านั้นเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ดําเนินนี่แหละเชื่อเป็นจุดมุ่งหมายของผู้มีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญปัญญาในสอดส่องมองทะลุปไปไหนแล้วจะเพิ่มความมีแก่ใจเครื่องความภาคความเพียรให้มีกําลังมากมากขึ้นความมุตสาพยายามทุกด้านทุกทางความอดความทนจะเพิ่มขึ้นพวามลาดของปัญญาเป็นเครื่องใส่ทองเห็นเหตุเห็นผลแล้วจะคืบคลานไปได้โดยไม่ต้องสงสัย ในการปฏิบัติสาหรับนักบวชเราโดยแท้ยิ่งเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ถ้าเราทราบไว้เสมอว่าไฟต่าซึ่งมันครอบอยู่ในหัวใจนั้นไม่เคยขย้ายตัวออกห่างจิตใจเลยเพราะเป็นสิ่งที่มันรักมากที่สุดและธรรมชาตินั้นก็ไม่เคยอยู่กับอะไร ไม่เคยสนิทติดใจอะไรยิ่งกว่าสนิทติดใจกับจิตและถือจิตเป็นเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยของตนเพราะฉะนั้นมันจึงรักมากถ้าเป็นคนก็เรียกว่าเป็นผู้รักในสิ่งนี้มากมันหึงหวงของมันมากแต่นี่มันเป็นนามธรรมาเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่แทรกอยู่ในจิตนั้นตัวเองก็มองไม่เห็นมีแต่รู้รู้อยู่เฉยเช่นรักเกิดขึ้น มันก็ทำให้พอใจเสียเนี่ยนี่ะธรรมชาติอันนี้แล้วต้องกล่อมใจให้ให้พอใจไปตามโกรธก็พอใจโกรธอยากโกรธมั น, นรักก็พอใจรักอยากรักไม่เพียงว่าอยากถอนความรักนะยังอยากรักเข้าไปอีกความที่รักอยู่ในขนาดนั้นมันก็พอใจอยู่แล้วแล้วยังอยากจะเพิ่มความรักเข้าไปอีกนั่นเพราะมันทำให้ดื่มเข้าไปอย่างนั้นเองมันถึงได้แก้ยาก มันกล่อมอย่างลึกๆเมื่อสติปัญญายังไม่ยังไม่เข้าถึงสิ่งโล่นนี้ขนาดใดเพียงใดแล้วมันจะกล่อมจิตอยู่ตลอดเวลาได้เห็นก็าตามไม่ได้เห็นก็าตามมันถักมีอยู่ภายในตัวของมันในขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินมันก็เป็นรถเป็นชาติอันหนึ่งที่จะกล่อมใจจิตใจของเราด้วยธัมมารมณคือเอาสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังนั่นแหละเข้ามา รุ่มากคิดอะไรต่างๆอยู่ภายในจิตนี้ให้เกอบเพิ่มลงไหลลืมเนื้อลืมตัวลืมสติทำปัญญาทำไปเสียสิน้นทําให้เกอบเพิ่มลงไหลไปกับมันอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอเลยนี่ถ้ายิ่งได้เห็นได้ยินได้ฟังเข้ามาอีกก็ยิ่งเพิ่มเป็นความคิดความอ่านเป็นสัญญาอารมณ์เข้าไปอีกให้ติดให้จมไปเรื่อยๆไม่มีคามมาําว่าจะเบื่อหน่ายอิ่มพอ หากไ ม, ไม่ไม่นำธรรมเข้าปัดไม่นำธรรมเข้าไปแทรกเข้าไ ป, าไปกีดกันไปห่วงห้ามจนถึงกับได้ปรากฏผลอย่างทําขึ้นมาแล้วเป็นคู่แข่งกับรสชาติอันนั้นนั่นแหละถึงจะค่อยห่างเหินออกไปได้ดังผู้มีสติปัญญามีความสามารถโดยลําดับลําดานแล้วความนักพอปรากฏขึ้นพับจะรู้ทันทีว่าเป็นตัวไภัย น, นั้นต่างกันกันกบจะก่อนจิต ด, ดวงนั้นแหละ ความชางังความโกรธความเกลียดพอแสดงยับขึ้นมาจะรู้ว่าเหมือนกับไฟกระเด็นมาติดตัวของเราเนี่ยแตดอกไฟกระเด็นมามากน้อยก็ทราบว่าเป็นไฟและทราบว่าเป็นโทษได้ระมัดระวังทันทีสัตวัดทิ้งทันทีทันทีนี่สติปัญญาที่ทันทันความรักความชางังความเกลียดความโกรธมันทันกันอย่างนี้และทันด้วยเห็นโทษ ด, ด้วย ไม่ใด้ทันได้เฉยที่แรกก็เริ่มทันก่อนต่อไปก็เริ่มเห็นโทษโดยลําดับลาดาแล้วไม่แสดงขึ้นมาก็เห็นโทษมีแต่จะแก้จะไขมีแต่จะถอดจะถอนโดยทายเดียวนี่นี่เรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมมีกําลังขึ้นมาแล้วท่นี้สันติธรรมคือความสงบใจปราศจากสิ่งก่อควรใจทั้งหลายจากธรรมชาติต่ําอันต่ํำจามนั้นก็ค่อยเบาไปเบาไปสันติธรรมปรากฏ เด่นภายในจิตใจนั่นเรียกว่าสันติคือความสงบใจนอกจากสงบแล้วยังเห็นความผ่องใสความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจของตนเป็นสง่าราศีอยู่ภายในตัวตลอดเวลาอีกด้วยนี่นี่เระเรียกว่าผลของธรรมด้วยปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่นั้นเมื่อเอามาเทียบเคียงกันแล้วธรรมชาตินี้เหนือกว่าแล้วทีนี่ถึงจะยังละไม่ได้ก็ทราบว่าเหนือกว่า ต้องเมื่อทราบว่าเหนือกว่าอยู่แล้วก็ต้องยิ่งจะมีแก่ใจพยายามสามารถระวังรักษาหรือถ อ, ถ อ, ถอดถอนไปโดยลาดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเอาเราสรุปเอาเลยหมดโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าความรักจะรักอะไรก็ตา่างเพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนะความช่างความเกลียดความโกรธ ทางเกลียดโกรธอะไรก็ตามเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลรู้เท่าทันด้วยเนี่ยละขาดออกจากจิตใจด้วยจึงไม่มีอะไรกวนใจนี่เราก็ทราบในชัดว่าสิ่งที่เคยกวนใจมาแต่ก่อนคืออะไรก็คือจอมกษัตริย์วัตตะจักเหล่านี้เองจะเป็นอะไรไปนานมันชัดแล้วเมื่อธรรมชาตินี้ได้พังลงไปโดยลําดับลําด า, ดาความสงบก็ยิ่งแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปเห็น ชาละคุณของใจโดยลําดับพูดง่ายๆก็ว่าความเห็นโทษก็เห็นดังถึงใจความเห็นคุณก็ถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้เรื่องความเพียร น, นี้เป็นไปเองทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นนี่ท่านเรียกความเพียรอัตโนมัติหรือเรียกว่าภาวนาเมญะปัญญาหมุนตัวเป็นเดียวไปเหมือนกับกิเลสที่มันหมุนตัวอยู่ภายในจิตใจของเราแต่ก่อนนั่นเอาดวงใจดวงนี้เป็นโรงงาน มันทำงานของมันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นงานของกเิเลสบนหัวใจทั้งหมดเนี่ยแล้วมันผิดอะไรขึ้นมาผิดตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ขึ้นมาให้รับความทุกข์ความทรมา น, นแรกขึ้นมาความเพลิดความเลิให้เราหลงเพื่อจะจมลงในกองทุกข์นั่นแหละหลงจะหลงไปไหนหลงเพื่อลงในกองทุกข์ไม่ใช่หลงเพื่อไปมั่งมั่งมุ่งพานที่ไหนความหลงที่มัน ที่มันหลอกขึ้นมามันปรุงแต่งขึ้นมาให้มีความเพลิดความเพลินมีรสมีชาติบางเล็กป้อยก็รสชาติเพื่อจะให้จบไม่ใช่รสชาติเพื่อจะให้ผ่านพ้นไปถึงมรรคผลนิพพานอันพ้นจากเงื่อเมือของมันเลยนี่ดังนั้นก็มีแต่ความทุกข์ควาทุกข์มันเห็นในชาติผานในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าเห็นโทษที่เห็นคุณของทำทำไม่เคยปรากฏว่าได้สร้างความทุกข์ความลําบากอะไรให้แก่เรา การนำบาตลำบนเพราะการต่อสู้นั้นมันเป็นเลธิ์ของกิเลสอํานาจของกิเลสกําลังของกิเลสต่อสู้เราต่างหากมันก็รู้ได้ชัดเนะี่ยพอถึงท่านที่อํานาจของธรรมมีมหรือธรรมมีอํานาจสติมีอํานาจปัญญามีอํานาจแจก้กล้าสามารถแล้วก็เห็นได้ชัดเนี่ยทําให้ขาดแต่โดยลําดับลําดาจากใจท่านเน่ยจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นเราหมดไม่มีภายในใจิตใจเลยนั่นแ่ะที่นี่ ใจจึงกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาแต่ว่าริใจใจบริสุทธิ์ก็ได้แต่ว่าธรรมบริสุทธิ์ภานใจก็ได้ในเวลามีธาตุมีขันมีสมมุติเป็นคู่แข่งกันอยู่เช่นธาตุขันเดลอาสวะอะไรในโลกสงสารนี่มันมีสมมุติดูหรือเป็นคู่เทียบเคียงหรือเป็นคู่แข่งอยู่เราก็เรียกว่าเป็นสมมติว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้ว่าธรรมทั้งดวงก็ได้ไม่ันไม่มีขาดมีวามไม่มีขาดมีแยง้งว่าอะไรได้หมด แต่พอผ่านสมุติโดยประการทั้งปวงไปแล้วไม่ไม่มีอะไรที่จะมาพูดกันเนี่ยสนนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิง่งเราจะหานิพพานที่ไหนเวลานี้จิตถูกอะไรย่ำยีถูกกิเลสย่ำยีวุ่นเพราะอะไรวุ่นเพราะกิเลสเราก็รู้ว่าวุ่นว่าเราก็รู้ว่าถุกมากน้อยก็รู้ผู้รู้อยู่นี่แหละมันอยู่ใต้อำ น, นาของกิเลสพอพ้นจากอํานาจของมันที่หมดแล้ว ไม่มีอะไรกวรแล้วก็บรมาสุขขณนิพพานังปรามังสุขขังท่านสุขอย่างยิ่งคือสุขไม่ใช่สุขแบบโลกนี้ไม่ใช่สุขแบบประเดี๋ยวประดาแล้วหายไปสุขเช้าตอนเย็นเป็นทุกข์สุขตอนบ่ายตอนค่าเป็นทุกข์สุขเวลานี้เวลาต่อไปเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างนี้อันนี้เป็นสุขเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังนักตาเต็มตัวของมั สุกอนั้นเป็นปรบรมสุขเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งกิจที่เบิสุกย่นล้วนคําว่าบรมสุขนี้เราก็พูดเฉพาะที่ยังมีธาตุมีขันนี้คท่นั้นนอกจากนั้นแล้วท่านไม่จําเป็นจะต้องพูดกันเแี่ยพูดหาอะไรขอให้มันถึงที่ของมันก็แล้วกันไม่มีใครถามใครแหละเช่นอย่างเรานอนหลับสนิทมีใครถามใครหล่ะเวลานั้นห่วงอะไรไหมมีไหมความรู้สึกว่ามีลูกมีเมียมี หล <c oughs> านมีเหรียมีสมบัติประจัานมีความรู้ความฉลาดความงาูเข่าบาปัญญามีอำนาจภาสนามากน้อยมันมีความรู้สึกไงแม่สุดในสกุล น, นาการของเราก็ยังไม่เห็นสำคัญกันเลยแล้วสงสัยไหมขณะที่หลับนั้นเป็นยังไงหลับสนิทนั้นเนี่ยคนมีกิเลสเราจะพอเทียบกันได้เล็กน้อยกับเรื่องนิพพานังพระบังสุขขงังเราเอายกเอานี้ไปเทียบเท่านั้นของคนมีกิเลสก็พอ ทราบกันได้ดยกันทุกคนเพราะเคยหลับสนิทมาด้วยกันคําหลับสิ่งคําว่าหลับนี้เป็นของคู่ควรกันกับธาตุขันนี้ในบุคคลแต่ละคนมีอะไรในระยะนั้นถึงจะหลับเป็นไปตั้งกับตั้งกันก็ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะแต่ว่าเราหลับจากนี้ไปถึงพรุ่งนี้เช้าถึงเวลาตื่นนั้นเลยนะหลับไปตั้งกับตั้งขันก็เป็นเช่นนั้นถ้าลงว่าหลับสนิทแล้ว ต้องกลับต้องการมีอะไรเข้ามาแยง่งมาขัดมาแย่งไหมไม่มีนี่เราเทียบเที่ยบนิพานเทียบหมายถึงอะไรนี่เราเทียบได้แค่นี้เนะ่ะเอาเอาเพียงเพียงเอาหลักเท่านี้ไปเทียบเราก็พอที่จะมองเห็นเงื่อนเห็นคราวบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยอันนี้เราพูดเป็นข้อเทียบเทียมการปฏิบัติเรานี่เพื่อความจริงให้เห็นสดสุดรนอน อันนี้ผ่านไปยังไงพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักโกหกสาวกทั้งหลายไม่ใช่นักโกหกพุทธทางสันนังกระฉามีพระพุทธเจ้าที <JOE> ่เรานับเขาเราฝากเป็นฝากตายกับท่านอยู่เวลานี้ไม่ใช่ผู้โกหกทำมังสันนังกระฉามีทำที่ท่านตรัสรู้ไม่ใช่ทำโกหกสรางกลางสันนังกระฉามีล้วนแล้ถึงแต่ท่านผู้บรมสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ผู้โกหกโลกงโกหกสงสารเมื่อจิตหบุดพ้นจากกิเลส เสียอย่างเดียวเท่านั้นเป็นไปแบบเดียวกันหมดเลยสงสัยที่ไหนเขี้ยนเดียวกับเราหลับสนิทแล้วไม่มีอะไรนั่นแหะพอเทียบกันได้เล็กเล็กน้อยนอยแต่อยากถือเป็นความจริงไปเป็นอุปสรรคต่อจิตใจของตนถ้าคิดไม่ถูกก็มันผิดไปได้เท่านี้นี่นะเรายกมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเท่านั้นในหนังสือยิงเขียนว่ายิ่งเขียนไว้ว่าบุรุษชนเราสวยนิพานได้เวลาหลับสนิท นั่นพอเทียบกันไดเ้เราก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันอะไรที่จะพาเราให้ถึงนั่นมีอะไรอ่า น, นี่เราย้อนหาสิอะไรเป็นเครื่องที่จะนำเราให้ถึงพระนิพพานได้ให้ถึงความริสุ์ได้เราหามาถาอามานในโลก น, นี้มีอะไรทั้งตาก็เห็นอยู่เต็มตานี่แหละ หูได้ยินเต็มหูเต็มหูเนี่ยสิ่งแวดน้อมเต็มทุกด้านทุกทางอืมีไม่บกพร่องมีตลอดเวลาและมีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องพยุงเราจิตใจเราให้ถึงซึ่งมรรคผลจะผ่านให้ดูดพ้นได้ไม่มีเลยนั่นบอกว่าไม่มีเลยนอกจากทำเท่านั้นเทำใครสอนไว้ถึงจะถูกต้องแม่นยาพุทธะเท่านั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนทําให้ถูกต้องแม่นยา ถึงจุดหมายปลายทางแต่ แ, ตแต่ผู้ปฏิบัติตามจุดหมายปลายทางก็มีนิพพานเป็นหลักสําคัญนี่พระองค์รู้แล้วนี่พระองค์ได้ทรงละแล้วด้วยปฏิบัติธรของพองค์อทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงนําความรู้ความเห็นนั้นมาสอนพวกเราจริงไม่ผิดถูกต้องแน่นยาทุกแง่ทุกมุมนี่แหละธรรมที่จะนําเราให้หลุดพ้นจากถูกมีมีในส่วนคาถาธรรมนี้เท่านั้นไม่มีในที่อื่น แล้วต่วคารธรรมนี้เราก็เคยได้อ่านได้ยินได้ฟังดูทุกเรื่องเวลาให้ภากันเจริญให้มากทําให้มากจากที่เสียวขีดค้านอ่อนแอเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันความกินหงายกินเราไม่รู้อยู่ในโค้งวงความเปลียนนองเรานั่นแหละกิเลสมันความกินหงายกินอยู่นั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้นั่งสมาธิพรวนามันก็ความกินหงายกินอยู่ในขณะที่นั่งเดินจงกรมมันก็ความกินหงายกินแต่เราไม่รู้ เพราะสติไม่ทันปัญญาไม่มีเพียงพอที่จะรู้มันพอรู้พับมันอิ่มแล้วมันปล่อยแล้วถึงรู้เนี่ยพอเผลอมันเอาอีกถ้าว่ามันอิ่มมันมันมันก็เราเผลอเมื่อไหร่มันเอาอีกเนี่ยมันมันจึงไม่พอที่เรศมันพอเมื่อไหร่เผลอก็ไม่เคยพอมันจิ้นอยู่ตลอดเวลาเอาสร้างสติปัญญาขึ้นให้ดีขึ้นได้มากถ้าอยากจะทราบว่าคํานี้เป็นความจริงหรือไม่ พอถึงขั้นมันแล้วมันไม่มีคําว่าเผลอเมื่อถึงขั้นแล้วไม่เผลอไม่มีคําว่าเผลอถึงจะยังสู้ไม่ได้ก็ไม่มีคําว่าเผลอนั่นเอาจนได้เอาจนแหลกนี่เราจะทราบอ๋อสติปัญญาทันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนสติปัญญาไม่ทันมันความกินงงายกินกินตลอดเวลาไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งไม่นอนเพราะเราเผลอได้ตลอดอิริยาบถนี่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันเผลอได้ทั้งนั้น แล้วกิเลสมันล่วงเข้าไปกินได้ทั้งนั้นเนี่ยเครื่องในของเราไม่มีอะไรเหลือพอสติปัญญาทันเข้าไปแล้วความเท่าเพียมมันหมุนกันไปเองเนี่ะเพราะเหมือนกับเชือกที่ฟันเป็นเกียวเดียวกันน่ะมันมาจากอะไรก็ฟันเป็นเกียวเดียวกันแล้วหมุนตัวเข้าไปเป็นกำลังอันเดียวกันหมดสติก็ดีปัญญาก็ดีความเท่าเพียมก็ดีความอดความทนก็เหนียวแน่นกล็นักโลกไม่มีถอยพอถึงขนั้นแล้วเป็นเป็นสายยาวเหยียดอันเดียวกันเลยเป็นปัจจุบันนิธรรมเป็นปัจจุบันนิจิอยู่ตลอดเวลา ไม่เลยคิดย้อนหน้าย้อนหลังว่าเราเผลอตอนไหนไม่เผลอตอนไหนแล้วต่อไปนี้เราจะเผลอหรือจะไม่เผลอเราจะต้องระมัดระวังตัวเราไม่มีคําว่าระวังกลัวมันจะเผลอนั่นทั้งเดียวอ่ะอะสติปัญญาโนุมารเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อถึงขั้นเป็นแล้วเป็นได้ด้วยกันกิจทุกดวงนี้เป็นได้ทั้งนั้นอืไม่มีคำว่าละสมัยขอให้ดําเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนวันนี้เถิดจะเป็นไปอย่างนี้ เวลามันล่มดูค้ามันล่มได้โดยกันทุกคนนั่นแหละเวลามันความกินงงายกินไอ้ยีเหลียมมันความกินได้งงายกินได้เหมือนกันนี่ถึงเวลาที่มันจะความกินหงายกินไม่ได้แล้วถึงเวลามันจะพังจากหัวใจมันก็มีอีกเหมือนกันถ้าเรามีความเปลี่ยนต้องการที่ความเปลี่ยนอยู่ภายในนี้ใจของเรานี้อย่าไปคิดว่าเท่าว่าแกว่าคําค่าชลาดเป็นเรื่องอุบายของกีเหลียมมันหลอกให้ห่างเหือนจากความเปียนให้อน้อยอกน้อยใจบ้างจะให้ขี้เกียจชี้ค้านอืม ให้สุดเอื้อมดหวังมัาง้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของเสียดมันโกหกมันหลอกลวงเราให้ไปทางของมันนะเอาจริงๆมันเรี้ขนาดนั้นแหละไม่ทันเพียงเงี้ยว่ามันความจรินง่ายจริงเมื่อถึงขั้นมันมันความไม่ได้ง่ายไม่ได้แล้วมันจะรู้เองในทุกคนนั่นแหละผู้ปฏิบัตินี้แหละไม่ใช่ผู้ใดนะผู้ไม่ปฏิบัติมันจะตายขี่กับกีดกันมันก็คนเก่านั่นแหละตายเกิดตายเกิดตายงนั้นไม่มีคําคําว่าล้าสมัย ว่าตายไปอะไรนั่งหนามันล้าสมัยแล้วหยุดจะมั่งสิไม่มีกิเลสไม่เคยมีล้าสมัยมีแต่เริ่มภาสับให้เกิดตายเกิดตายตลอดไปถ้าทําไม่ฉุดไม่ลากเอาไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอจินไตายกิจแต่และดวงวิ ญ, ญญาณแต่เรื่องนี่ไม่มีคําว่าเบื้องต้นเบื้องปลายถ้าไม่มีทำเข้าไปตัดสินให้เข้าไปแก้แล้วเบื้องต้นจะไม่มีเบื้องปลายจะไม่มีนพอทําเข้าไปตัดสินนั้นแหละขาดสะบ้านไปหมดเออเอาละทีนี่น่านเห็นไหม ในธรรมจักรกับพระวัฒนาสูตรท่านแสดงไว้แสด ง, สดงว่าอย่างไงวุชิตังพระมจริยังนั่นแล้วเสร็จแล้วกิจในการฆ่ากิเลสทั้งหลายนี้ได้เส้นสิทธิ์ได้สิ้นเสร็จตรงไปเริ่มร้อยแล้วนี่อันว่าวุชิตังพระมัจริยังกระตังกรณนิยังกิจที่ควรจะทําคือกิจการฆ่ากิเลสนี้เราได้ทําเสร็จเริ่มร้อยแล้วนับปลังอิต า, าติประชานาติที่กิตอื่นที่จะทําให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีพอไรู้แจ้งเห็นจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่น นี่แหะท่านมาตัดสินกับพิเรตตัดสินกับวัตจักรวัตจิตกลายเป็นนี่วัตจิตขึ้นมาพระติดานนี้ปุณณพวตั้งกระบัดนี้ต่อไปความเกิดอีของเราไม่มีแล้วในกิจตรงนี้นะแต่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านเลยเคยเป็นพระโอชายังไงเมื่อไหรสักทีไม่เคยเป็นงนี่แหละสารทิฏเกเมื่อแสดงเต็มที่แล้วไม่เคยเป็นก็ได้เป็นเพราะมันรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆริงกิจนี่ mm. เวลามันขาดขา ด, ขาดจริงจริงยิม ด, ดวงนี้แหละพอขาดสะ บ, บ้าถึงไปแล้ว มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นบริสุทธิ์นี้หายไปไหนทีนี้สูย์ไปไหนฮะมีแต่กิเลสแล้วมันศูญไปหมดกจากลงใจหัวใจเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเมื่อได้บริสุทธิ์ล้ว น, ลวนแล้วแล้วไปวุ่นหากับเรื่องเงาของกิเลสมันให้เสียไปน้ำเวลาไปทําไมมาศูญหรือไม่ศูนย์ไปยังไงไปยังไ ง, ไ ป, ไ, งไปเกิดที่ไหนไปไม่เกิดที่ไหนถามมามันไปทําไมก็เรื่องเกิดดายเราสงสัยอะไรมันเกิดเกิดเกิดดายมากี่กับกี่คันมาแล้วศูนย์ไม่ศูนย์แล้ว เราเป็นบ้ามากิจกับกิจันนะกับเรื่องศูนย์ไม่สูนนี่นะเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์ล้วเราเป็นบ้ากันะอีกขั้นบริสุทธิ์ไม่ใช่ขั้นพาคนเป็นบ้านลยนะขั้นพาคนเต็มยอดของคนเต็มยอดของจิตเต็มยอดของธรรมวิเศษที่สุดก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี่เท่านั้นเอให้มันถึงที่ถึงถึงเหตุถึงฝนเลอย่ามาอยู่เด่นด้านนั้นอย่ามาให้หนักใจนะผมสอนหมู่สอนแผ่นสอนเต็มอกเต็มใจสอนเรื่อย ริมห ม, มาหมดไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าเทมอมดให้หมดไม่มีเหลืออืมแม้แต่ลําบากลําบนอยู่ในวันหนึ่งว่าหนึ่งนี่ความคิดของใายถึงหมู่เพื่อนผมไม่เคยละนอกจากมันมันมาไม่ได้มันอบรมมาได้ก็ทนไปอย่างนั้นด้วยความจําเป็นความเป็นอารมณ์กับหมู่เพื่อนมันเป็นอยูตอ่ตลอดเวลาจะทําไงกับหมู่เพื่อนมุ่ง ม, มาหาหนี่เพื่อการอบรมสั่งสอนจะให้ทํายังไงไม่อบรมสั่งสอนพระก็ละมากขึ้นโดยลําดับลําดา ก็พอเห็นเหตุนี้เองอะ่ะไม่ใช่อะไรครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นทินแน่นอนเป็นที่ตายใจเป็นที่อบอุ่นในการอบรมตั้งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาได้พึ่งร่มเงาของท่านท่านก็ล่วงไปล่วงไปอย่างที่เราเห็นตอนนี้จะว่าไงแล้วต่อไปก็จะไม่มีไม่มีมันก็เลยแย้มประตูเปิดรับบัณฑ์เล็กๆนะ้อยๆแล้วก็เลยกลายเป็นทางประตูเข้ามาทั้งสี่สิบกว่าปีนี่ผมก็ยังทนจะว่าไงตั้งใจปฏิบตัติยามาผีดมาขวางหมู่เพื่อนอยู่นะ เรากีดขวางตัวเองแล้วยังมาแล้วยังแกกีดขวางบุเพื่อนเดี๋ยวเรานี้มีอยู่มากนะให้ระวังมาปฏิบัติทำต้องปฏิบัติตัวเองต้องระวังตัวเองอย่าเห็นม่าผู้ใด ผ, ผู้อื่นผู้ใดเป็นภัยยิ่งกว่าตัวเองเป็นภัยต่อตัวเองและเป็นภัยต่อผู้อื่นด้วยถ้าต่างคนต่างเห็นอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้มองดูจุดที่มันจะเกิดเรื่องคือหัวใจ <c oughs> สติไม่มีแล้วมันแสดงได้มันแผงฤทธิ์ได้ลรืที่เดียกนี่มันไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นมันแผงฤทธิ์ได้ถ้า ม, มีทำเข้าไปจะกําจัดมันมันก็ยอม ถ้ามีทำแล้วมันเอาคุณได้ทันทีแล้วแล้วมันเติบโตเร็วที่สุดด้วยธรรมชาติที่นี่เรียกว่าอุปปัติกะมันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศเต็มยศของมันมีกำลังเต็มยศเต็มยศเลยมันไม่ต้องมาหล่อเลี้ยงมันบำรุงรักษาให้มันเจริญเติบโตเท่านั้นวันเท่านี้วันมันถึงจะเติบโตเจริญขึ้นมามากๆได้มันเกิดขึ้นมาในขณะไหนก็เป็นอุปปัติกะนั่นแหะมันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศกําลังเต็มตัวเลยพ้าดเราแหลกไปเส่นเดียวกันหมดนั่นทำไมระวังให้ระวังให้ดีไมมม่่เหือนสิัััญญญญาาาาถ้ีบบรดย อันนี้ไม่ได้อบรมเพราะอะไรเพราะมันเครียงไกรของมันมาอยู่ในหัวใจของเรานี่กี่พบกี่ชาติกี่กลับกี่กันแล้วมันจะไม่เกรียงไกรยังไงมันจะไม่คล่องตัวยังไงอมันอยู่ในหัวใจของเรามานหนาทำํำนี่ไม่ได้มากเลยนะมีเรื่องมีแต่ไม่มากเท่ามันจนกระทั่งเราได้อบรมเต็มทติกําลังก่อนธรามาของเรามันถึงมีเกียร์กล้าขึ้นมามากขึ้นมาได้มากขึ้นมาแล้วฟ า, า, าดมันลงได้นี่นแล้วมันเห็นยังไงซีนักปฏิบัติ สติเป็นสาคัญนี่พูดอะไรก็ตามถ้าไม่ได้พูดสติมันเหมือนก็ไม่ได้เทศนะเคยเห็นมาอย่างนั้นแล้วเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วเห็นเป็นความจําเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นก็สติปัญญาเมื่อถึงขั้นมันแล้วสติปัญญาเป็นดเดียวกันเป็นทำคู่พลังเท่ากันพุ่งพุ่งพุ่พุ่พจนกระทั่งเหตุปัจจัยมันหมดทึ้นมายมันถึงจะหยุดสติปัญญาสองอันสองธรรมชาตสิสองธรรมชาตินี้ กลมกลนเป็นอันเดียวกันนิเวศมีอยู่ที่ตรงไหนค่าศึกมีตรงไหนมันจะเสาะจะขุดจะค้นอยู่ตลอดขณะท่านเราวางานของจิตวิปิปัญญาทํางานผู้เสียขุดค้นพอเจอก็ได้งานอีกประเภทหนึ่งเวลาไม่เจอก็ค้นหาก็เป็นงานประเภทหนึ่งจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภาในใจแน่ใจไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าะ ถึงพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้าก็ตามแต่เมื่อถึงขั้นสันติสันติโกร้อเปอร์เซ็นเต็มตัวแล้วจะถามท่านประหมานั่าธรรมะสันติโกท่านประกาศไว้แล้วความจริงมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงถามผู้ใดเวลาท่านอยกจะรู้อันนี้ประทานพระโอวาทไว้เยอะน้อยแล้วเมื่อดำเนินไปถึงขั้นที่ควรจะรู้ขั้นไหนขั้นไหนหากทราบเข้าไปโดยลำดับสันติสัิโกจะบอกไปโดยลำดับลำดาแน่จริงแน่จริงแน่จริงแน่จริงจนกระทั่งถึงขั้นมิมุติบุญท้นก็ประกาศกลางวานขึ้นภายในหัวใจนี่เออ ฟ้าถลม่มดินถล่มขี้เด็ดวัตจักรหลุดลอยลงจากหัวใจจะเป็นเหมือนฟ้าดินถล่มได้ยังไงอืตั้งแต่บัดนั้นต่อไปที่นี่ไม่มีละคําว่าจะเที่ยวเกิดที่นั่นเกิดที่นี่นนใต้ที่นันที่นี่การสถ า, านที่อะไรไม่มีหมดปัญหาเลยเพราะเหล่านี้เป็นสมมติทั้งมวลมีแต่ขี้เด็ดมันผิดขึ้นมาพอธรรมชาตินี้พังลงไปยังไม่มีอะไรมาเป็นข่าศึกมาเป็นอุปสรรคต่อหัวใจแต่ยังอยู่ก็ยัง จะตายไปก็ตายก็มีเรื่องธาตุเรืงขนันยังอยู่ก็คือธาตุคือขนันตายก็คือธาตุคือขนันธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันนี่เลยมีอะไรรักษากันเพื่ออะไรอถ้ารักษาอยู่มันก็ไม่แน่ใจที่ต้องต้องรักษาถ้าบริสุทธิ์บุดพ้นจริงๆออแล้วเอาอะไรมารักษากันเน อ, อันนี้กว่าวิ ม, มุตติบุดพ้นกุปะาธรรมกุปปธรรมหมายถึงอะไรมันถึงนั่นสิเองมันรู้สินั่นละนั่นละแต่ลืมหูลืมตาเต็ม หูเต็มตาทุกสิ่งทุกอย่างมองอะไรก็มองหูชัดเจนเต็มหูเต็มตาไม่ได้นำมัด ร, ระหว่งังจะฟังจะเสียงอะไรคิดเรื่องอะไรก็ตามเต็มหูเต็มตาเต็มหัวใจทุกอย่างเมื่อถึงขั้นเต็มแล้วเป็นอิสณะเป็นเต็มที่ไม่ได้มีการระมัด ร, ระหว่งังเพราะมันไม่มีอะไรที่จะไปสึกไปต่อกันแล้วนี่มันหมดมันขาดสะพานไปหมดจากดวงใจดวงนั้นระหว่างติดกับที่เรศทั้งหลายขาดสะพานเหนือกันแล้วไม่มีเงือนต่อแล้วอะไรก็ดูไปอย่างนั้นแหละพินก็กินไป นอนตายตายไปอย่าบททั้งสี่เปลียปป่ยนไปเปลี่ยนไปก็เท่านั้นอ่ะพอถึงการถึงเวลาเมื่อถึงเวลาแล้ ว, ลวปล่อยพวกที่มือเอาไว้อลัอยอก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมเป็นเป็นว่าเป็นส่วนผสมมาอยู่กับธาตุกับขันนี้ใจมาครองตัวด้วยความยิดความถือนี่อันหนึ่งเท่านั้นพอใจได้ปล่อยตัวไม่รู้ร่อดขอบคิดถ้าปล่อยลงตางความเป็นจริง ของธาตุของขันของตัวเองแล้วมันก็แสนสบายเท่านั้นเองหายห่วงไม่มีอะไรเป็นเรื่อยุ่งเหยองวุ่นวาอีดังที่เคยเป็นมาเลยงั่นขอให้ทุกท่านตั้งใจคุยปฏิบัติอย่าเอากิา่งเอาจังอยเล่เล่ล่อนลอดทะเลทะไลยังทิเลนั่นละมันพาให้เป็นทะเลทะไลมาอยู่นานๆแล้วคินไปนะคินชาหน้าด้านไปนะอันนี้แหละผมระวังมาก เรื่องกิเลสมันเป็นการปลูดก็อเอาแค่นี้พอเพียงพองนีนชั น, น, นายามันค่อยพอถูกพ่อทายไปหน่อยนะแล้วพูดก็ไม่ค่อยเตรียมกลุ่นอะไรนะมากค่อยเป็นน้ำมันเป็นน้ํามันเองจะทําไงแล้วก็ไม่ได้บังคับเวลาเทปมั น, นจะช้าหรืเร็วนี่ไปบังคับมันอะไรนะต้องปล่อยเป็นธรรมชาติไป แต่บางครับนีนเหมือนถูกอะไรหนึ่งมันไม่สะดวกอีกมันยับยั บ, ยบไปตามธรรมชาติขึ้นหมายฉบับสีหห้าหน้าใครก็อ่านดูดูงั้นอ่ะผมสะดดทางเวนนะพออาา่านแล้วใจคนใจพระได้อยากซามทมุกหนาา น, นันน่าสะ ด, ดสุดทางเวนมากเกี่ยวทมาอวดกันทำไม้อวดอย่างนั้นอวดความชั่วช้าในมน อ, องตัวเอง มัาขายจะไหมการปฏิบัติธรรมก็มีเห็นมีความหมายอะไรเลยเมื่อได้ฟังนี้แล้วมันทําเพื่ออะไรทําเพื่ออวดโลกเขาเฉยๆไม่ได้ทําเพื่อเพื่อทำถ้าทําเพื่อเพื่อทำแล้วจะไปพูดอวดโลกก็ได้ขนาดนั้นเดียวหรือแล้วย่ ย, ย่ำทำลายผู้อื่นและยกอบนขนาดนั้นเถอะหรอผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆนี่เท่านี้เห็นเลยเท่านั้นน่ะมดูยากอะไรหรือยากดูมนุษย์ดูยากอะไ ร, ะไรมันเป็นเรื่องของธรรมที่ไหนนะไม่เรื่องของยิ่งใอญ่ต่ อ, อรุลายทั้งนั้น นู้นสรุปสองเรื่ผมอ่านแล้วยังไม่คิดจะตอบถ้าตอบมันจะมหนักเหมือ น, นกันนะถ้าตอบมันกระเทือนหนดเหมือนกันนะท่านลงได้ตอบลงในหนังสือนะออกเป็นหนังสือเล่มแล้วกระเทือนโหนดเหมือนกันเพราะ <c oughs> <c oughs> มันมีเงื่นที่จะตอบอยูเยอะไม่ทําไม่ตอบไม่เกิดประโยชน์ได้ือถ้าเป็พวกบ้าตีกันหรืเปล่ ในวงพุทธศาสนาด้วยกันนะมันก็มีคนชั่วคนดีอยู่อย่างนี้จะว่างไงตั้งแต่ไหนจะอะไรม า, นนาที่จะมันกระทบกระเทือนก็ไม่ควรมันเขียนเพราะนี่ยังไงเมื่อออกไปตอบกันไปแล้วต้องกระทบกระเทือนไม่พ้นเพราะเรื่องราวมันบอกมาแล้วนี่ความที่จะให้กระเทือนมันบอกมาแล้วตั้งแต่ตัวปัญหามาแล้วการตอบปัญหาจะไม่ตอบจุดไปตามจุกจะตอบไปไหนนั่นแ่ะความกระทบกระเทือนจะเกิดขึ้นตรงนั้นอืเววราคุมจำนวม ก็ไม่ตอบแบบกิเลสตัณหาแบบสู้กันแบบสู้กันก็เหมือนหมากัดกันอืมทาแบบไม่ไม่แบบไ ม, แบบไม่ใช่แบบสู้ก็ต้องเอาธรรมเข้าไปว่าพิจารณาเหตุผลหนักเบามากน้อยเป็นยังไงควรควรไม่ควรควรตอบหรือไม่ควรตอบใช่ไหคนที่ไม่เลวก็ยังมีอยูหรือว่าอ่านนั้นก็ไปก็ กำลังใจก็จะหดหูหลงหมดผู้ที่มีใจเป็นธรรมจะเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่มีแบบเดียวกันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึ่งมันก็ไม่มีอะไรผลมันเป็นผลดีขึ้นมาเลยนี่จะคผณเสียนะ น, นั้นคือมันเป็นต้นตอทั้งคดีท่านทำท่านรุ่งท่านมาได้อย่างนั้นอย่างนั้น ท่านไม่เคยกระทบกระเทือนผู้ใดที่มาเดินตามรอยนั่นี้เอาแต่สัญญาลมมาพูดมาทํากันทะเลเอาลมเอาแรงมาอวดกันเอาน้ําลายมาอวดกันนีม่มันที่มันสรุดสังเวียนมากมยกตุนข่มท่านมันไม่ใช่ของดีการยกตนข่มท่านคือการอวดกิเลสดีๆเอาความชั่วความละโมบของตนมาขายดีๆนั่นเอง บินตาบาดเคยพูดแล้วเสียงบู๊เบ้งบู๊เบ้งเหมือมื้อคช้าวานนี้ครับผมได้ยินเสียงผมนลมองขึ้นไปถามมันใครเก่งๆนั่นนับ้านน้ำลายตัวไหนน่ะามันทำไงมันถึงมีขึ้นมาได้มสนใจอะไรกับน้ำลายนบอกให้สนใจกับธรรมต่างๆบินตาบาดหน้าที่ของตัวเองของของแต่ละคนนะคนดูวิธีนักโทษจะของคุมมันไปใช่มันอยู่ในหัวใจน่ะนักโทษคุมนักโทษนั่นไอ้ ไปเพื่อเพล น, นเรื่องอะไรกันเรื่องภายนอกนั่นั้งอยู่เป็นนักโทษอยู่ภายในหัวใจไม่ควบคุมกันบ้างเลยเคยพูดมาแล้วนี่นี่ละข้ามา ก, กันไปอย่างนี้แหะนะนี่จะได้พิจารณาต่อไปนี่มันไม่เป็นท่าแล้วก็ต้องตัดลงตัดตัดออกตัดออกตัดออกไม่เกินท่าไม่เป็นประโยชน์แล้วก็จะเสริมมันไปอะไรอีกนา น, าน ก็ให้มันเป็นบทเรียนบทเรียนไปเอาเหตุเอาหเอตุมาเหล่านี้มาเป็นบทเรียนไปทุกอย่างผนได้ผลเสียเป็นยังไงยังไงข้างบูตการ์ดท่านเขียนไปถึงเรื่องพระเขาไปนิมนต์พระเราะเขาก็บอกว่าจ้าภาษาของเราก็คือว่าต้องขอประทานโทษ จ, จะให้หมามาเนี่ยเขาก็จะแสดงรวดลายของหมาเขานั่นเนี่ยจะให้หมามา มารับนิมนต์ปุณณ์ยังไงมารับไปถึงเวลาแล้วแล้วก็หมาก็ไปแล้วพอถึงเวลาแล้วหมาถึงเวลาแล้วห ม, มาก็ไปไปหาพระนิมนต์พระถ้าท่านกับท่านกับทดลองทดลองบางทีท่านไปไปถึงเนี่เป็นทางแยกนี่ท่านไปยืนเกอ้ออยู่มั่งเขาเขาก็ลังคอยอยู่ข้างหน้า เมื่อท่านก่นไปทางทางทางแยกทางนี้เขาก็ยิ่งมามาข้ากิวานดึงทั้งกะกลับมาไปตามตามเขาเพอพอมาเขาก็ปล่อยเขาก็พาไปเขาไปพระไปยิงเกลือตรงไห น, นเขาจะตั้งรอดูเพราะท่านทดลองท่านทดลองหมาจะไม่ตั้งถึงบ้านมาั น, นมีเขียนไว้ในตำรา ที่ได้ไปสวรรค์เพราะเสียงอัดฉันยทํามีอยู่มากเลืล่งตำรามมีมากแต่ผมมาม า, าพูดเฉพาะนี่มีหลายหลายหลายแขนงหลายเรื่องหลายล้วเนี่ยที่ใจมันเป็นในหลวใจเองใจมีปริใสอะอย่ า, างนี้ก่อน ท่านถึงไม่ประมาทกันไม่ประมาทอนาจปัจจาไม่ประมาทกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลฐานะสูงต่ำถ้าดีมีจนอะไรก็ไม่ประมาทกันเพราะสิ่งภายในมันเป็นของของตัวแต่ละคนลกคนนั่นอันนั้นน่ะมันเป็นของของใครแต่ละคนละคน นั่นเป็นตัวของตัวเป็นตัวของตัวแม้จะเป็นสัตว์ก็ตามาจำจำมาเป็นสรรัตตามวาะของกรรมที่ให้ผลตอนนั้นพอพ้นสภาพดีดขึ้นดีสูงกว่าเราอีกเนี่ยก็ได้ย อ, ยอย่างนั้นท่านังไม่ประม า, มายิ่งจิตดวงจิตมีมีปณิสัยอยู่ด้วยแล้วนั่นะนยิ่งสําคัญมากยังเป็นสรรัตว์อี่ก็ยังมีอุปนิสัยอยู่นั่นจะเป็นไปตามวาะซะก่อน ไม่มีศาสนาใดที่จแจงเรื่องจิ ต, จ เ, จจตเรื่องเกิดแก่เจิบตายเรื่องกิเลสตนาสวะได้ละเอียดลอยิ่งกว่าพุทธศาสนาเลยนะี่แจง้งในอย่างละเอียดเต็มภูมิเลยครับเต็มภูิบกครัวจนกระทั่งถึงความสิ้นปัญหาหมดเกิดปการทั้งปวงที่จิตถึงขั้นบริสุทธิ์เลย ธรรมดาทั่วๆไปมันก็รู้ๆอยู่หมดในร่างกายของเราเมันรู้อยู่หมดเราจะเอาตัวกินที่ตรงไหนมันไม่ได้นี่นะอือะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ก็รู้อยู่หมดเพราะทางออกทางทางออกของมันมีอยู่รอบตัวนี้ทางออกเพื่อรับรู้ของจิตมันมีอยู่รอบตัวนี่นื่นเราก็เลยไม่ทราบว่าจิตคืออะไรสุดท้ายก็เลยเหมาหมดทั้งกายทั้งร่างนี้มาเป็นจิตเพราะร่างนี้แตกก็หมดความหมายว่ะเหมือนกับความรู้นั่นมันดับไป เพอความรู้นั่นคือคือร่างนี้เงี่ยพอร่างนี้แตกความรู้ก็หมดปัญหานนี่เป็นความรู้ของส่วนมากของคนุนกิเลสทั่วไปเป็นอย่างนั้นพ อ, อยินได้ฟังจากอาจจะทำมู้เจ้าว่าตายแล้วเกิดนุ่นเกิดนี่นั่นก็พอเป็นเงื่อนอันหนึ่งที่ให้ให้เชื่อในทางนั้นนะถ้าหาว่าไม่มีทำอันนี้มาประกาศสอนไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้กันทางนั้นนี่ไม่มีเงื่อนต่อพอตายแล้วก็จมไปเลยสูงไปเลย ธาตุขันแตออกไปเลยหมดมีเท่านั้นนี่จิตท่านแยกออกไปธาตุขันก็เป็นธาตุขันจิตก็เป็นจิตนี่มีนักปฏิบัตินักภาวนาเท่านั้นจัดทราบเรื่องนี้โดยลําดับลำดาจึงจะต้งทราบได้อย่างเต็มที่หาสงสัยไม่ได้เลยเพราะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่เขจะเข้าสู่ความจริงนี้โดยโดยลําดับรำดาจนตลอดทั่วถึง ยังจดจําเรียนด้วยจากการเรียนเฉยยังไงก็ไม่พ้นความสงสยัยแล้วแบบปัญหาความสงสัยเต็มหัวใจด้วยกันนั่นแหละเรียนมากเรียนน้อยไม่พ้นจากการแบบปัญหาเหล่านี้นมีภาพกระิบบัดเข้าไปจับเข้าไปแล้วเออเริ่มรู้มาตั้งแต่จิตเป็นสมาธิเริ่มเป็นสมาธิจิตสงบร่างพป็นนหนึ่งความสงบของจิตเป็นอันหนึ่ง เวลาจิตวุ่นวายก็เป็นอันหนึง่งเวลาจิตสงบเป็นอย่างไรธาตุขันเป็นอย่างไรก็ทราบประดุลรรดังเดิมจะมาสร้างถึงจิตที่เขาขั้นละเอียดดูจนกระทังอาการรูปนี่ก็เป็นอาการหยับหยาบเห็นชัดๆเวทนาความละเอียดของเวทนาอืสุขเวทนาทุกเวทนาเปลืกขาเวทนาของร่างกายสุ ข, ขเวทนาทุกเวทนาเปลืกขาเวทนาของจิตนักมันจะทราบเข้าไป ชือทุกข์สุขเฉยๆของกายทุกข์สุขเฉยๆของจิตมันต่างกันมันรู้อยู่ในอันเดียวกันนะแต่มันต่างกันหนักนั่นก็รู้เวลานี่จิตเป็นสุขเวลานี้จิตเป็นทุกข์ถึงขั้นละเอียดมันก็มีสุขมีทุกข์เจอะปนมีเฉยเจอปนกันเหมือนกันกับร่างกายมันยิ่งเด่นชัดจิตรู้จิตจิตรู้เวทนาของจิตยิ่งรู้ชัดเรียกว่าเวทนาจิตเวทนา ทุกเวทนาทุกเวทนาเอเปรียขาเวทนาม่อยู่ในจิตมาสังขารเหมือนกันพอปรุงขึ้นมายบับดับพร้อมดับพร้อมมันรู้อยู่ในระยะถึงขั้นสติปัญญารันถึงสติขั้นปกิปัญญาอยู่กับจิตพูดง่ายๆนะไม่ได้พลาดจากจิตเลยมันรู้ได้ทุกขณะโดยที่มไม่ได้ตั้งท่าตั้งทาง่ะมันเป็นทั้งมันอยู่มันเป็นท่าตั้งอยู่ตลอดแล้วนี่แจะว่างไห รู้รู้รู้พอยับเลยจิตมันปรุงเพราะยับดับอพอ้อมดับพร้องดับพอ้อืมมันก็มีแต่เกิดกับดับทั้งนี้นี่ท่านเรียกว่าสังขารเนี่ยมันก็รู้อ๋อมีเกิดมีดับทั้งมันกม็มีความหมายอะไรในตัวของมันถ้าเราไม่ให้ความหมายพูดลงไม่แพ้ความหมายมันก็เห็นมีอะไรนี้พูดรู้ให้ความหมายมันไม่ติดพูดลงให้ความหมายมันติดเนี่ย ติดในกระหม่อตัวเองนี่ะมันละเอียดมันซึ้งสัญญานี่ยิ่งยิ่งซึ้งเหมือนกระดาษซึมกันยนะสังขานมันยังแยบสัญญานี่มันมันซ่านออกไปให้จนกระทั่งเป็นภาพเป็นเรื่องขึ้นมาอันนี้มันก็ทันน่นจะว่าไงยี่งว่าสติปัญญามันขนาดนั้นแก้กล้ามันทันมันหมายยังไงสัญญาหมายยังไง มันค่อยเป็นน้งมันมันก็ทราบตามเรื่องของมันเป็นน้ำมันเหล่านี้ก็ไม่ใช่จิตอีกทั้งนั้นแน่ซันก็รู้จิตก็คืออะไรไม่รู้รู้ฮะการในแสดงรู้แล้เกิดไปเกิดมาแล้วดับไปปรากวดกแล้วดับไปดับไปนับหมแล้วก็ไปหาความรู้นั่นแหละหไปอยู่นั่นแยกเป็นมาจากองนั้นดับลงไปอยู่นั่นไม่มีเงื่อนต่อกันเป็นอะไรลายต่อไปอีก เพราะมันทันกันทันกันมันไม่จะเกิดเรื่องนี่ทิ้งทันกันทังกันมันก็ตามเข้าไปอีกนะ่อยู่หน้าหนังไม่ถอยจนกระทั่งมันหมดเรื่องมันมันไปอยู่ในรังอวิชชานี่เกิดขึ้นจากนั้นอวิชชาหมุนให้ให้ปรุงให้แต่งมุนไห้เปิดฉางขานให้เกิดสัญญาของนักภาพลายสัมผัสสัมพันธ์ก็ อวิชามหมุนได้พาให้คิดใ ห, ใ, หให้อ่านให้คิดให้จองไปตามเรื่องของอวิชามทั้งหมดมันไม่เป็นเรื่องของธรรมพออวิชามดับไปจากจิตมันก็พังไปหมดเลยทีนี้ไม่มีอะไรหนุนวิชามไม่มีหนุนเพราะวิชาดับไปแล้วมันปรุงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติมันมันก็เป็นขันธ์ล้วนแล้วทิ้งไม่มีไม่มีเครื่อง หนุเหมือนอวิชายมีอยู่อันนี้เรียกว่าขันรนรวนรูปก็เป็นบริสุทธ์ในตามธรรมชาติของตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างเป็นธรรมชาติของตัวเองของตัวเองเกิดดับเกิดดับเกิดดับของตัวเองในอยู่ในขณะที่มีชีวอยู่นี้เท่านั้นคือครองตัวอยู่นั่นก็มีเท่านั้นจิตก็เป็นจิตจิตก็รู้กินไม่หลงไม่หลงอาการหลงใช้อาการของที่อยู่เพียง ตัวระยะการที่ยังคลองตัวอยู่เท่านั้นนั่นมันเห็นไหมครับพี่ถ้<ม>อาอวิชาตัวตัวสำคัญไม่มีภายในจิตใจแล้วสังขารจะเอาเรื่องมาจากไหนเพียงคิดปรุงปรุงมันเ ก, เกิดดับเกิดดับเท่านั้นมีเท่านั้นไม่ได้มีอะไรจะต่อสาวยาอยู่ห้เป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องอวิชชาไปเพราะอวิชชาไม่มีไม่มีอะไรต่อทําไม่ต่อทำเป็นวิสุทธิธรรมแล้วนี่วิสุทธิจิตแล้วนี่นเอาอะไรไปต่อ นัเห็นไนหมท่านขิตถ้ามันลงถึงขีดแล้วรู้อย่างนั้นไม่รู้อย่างอื่นจาให้ดีนะไม่มีคำอย่างอื่นที่จะรู้ให้มาสงสัยกันพเพราะเจอในพักนั้นกระเทือนในหมดบรรดาพระเจ้าและสาทั้งหลายไม่สงสัยเลยความจริงอย่างเดียวกันนี่แหน่อเอาแค่นี้แหละนะอเอนออกเลิกกัน